เรียกร้องมากคือรักน้อยถือสาน้อยคือรักมากรักจริงต้องมีใจเป็นสุขต้องผ่อนคลายสบายไม่ใช่คาดคันเคี้ยวเข็นจนเป็นทุกข์สัญญาณบอกว่ารักจริงจึงเป็นการอภัยง่ายไม่ใช่อ้างว่ารักแรงเลยโกรธง่ายหายช้าโทสะยิ่งลดใจก็ยิ่งเย็น ยิ่งเป็นเครื่องสบายต่อกันอยากอยู่ด้วยกันนานๆเพื่อจะได้อาบน้ําใจอาบแสงเมตตาอันหายากจากนอกบ้านมีแต่คนคาดหมายว่าถ้ารักกันจริงต้องพิสูจน์ด้วยการทำอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อตีความหมายรักผิดๆคำว่ารักหมายถึงต้องทำโน้นทำนี่ให้ต้องเลิกทำอย่างนั้นไม่คิดถึงคนโน้นต้องเปลี่ยนแปลงเฉียพลัน ต้องไม่ทำอะไรขวางหูขวางตากันเลยเก็บทุกเรื่องมาเป็นอารมณ์ไม่ปล่อยเรื่องรกออกจากใจใจก็คุกรุ่นพร้อมจะระอุพร้อมจะเกิดแรงผลักให้อยากห่างกันรักจริงคืออภัยง่ายทำดีด้วยแทบตายแต่ยังโกรธง่ายหายช้าวันหนึ่งก็ต้องเลิกรากันปากบอกว่ารักจริง แต่ใจไม่เคยเป็นสุขจริงสักวันจะต่างอะไรกับรักเก๋าเรา